ต่อไปนี้จะแสดงทำคำสอนของพระพุทธเจ้าขอโปรดให้ทุกท่านจงตั้งอยู่ในความสงบสงบกายไม่ทำอะไรสงบวาจาไม่พูดอะไรสงบใจไม่คิดอะไร เพราะความสงบจะช่วยให้การแสดงธรรมและการฟังธรรมเป็นไปได้ด้วยดีมีคุณภาพมีอนิสงส์มีประโยชน์เป็นอย่างมากพระพุทธเจ้าได้ส่งตัดไว้ ในมงคดระเสลว่านิบาศการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นมงคลอย่างยิ่งการทำพระนิพพานให้แจ้งนี่หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าทำให้ปรากฏขึ้นมานั่นเองปรากฏขึ้นที่ไหน ก็ปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่เองนิพพานคืออะไรก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเช่นกามตัณหาความอยากในกาม ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าได้รับการกาจัดออกไปจากใจได้หมดแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมานั่นเองคำว่านิพพานก็คือใจ ที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นอะไรที่ลึกลับพิสดารเปรียบเหมือนกับเสื้อผ้าที่ได้รับการซรักให้สะอาดเสื้อผ้าที่สกปรกก็จะส่งกลิ่นเหม็นไม่น่าสวมใส่พอเราเอาเสื้อผ้าที่สกปรกนี้ ไปชำระให้สะอาดแล้วเสื้อผ้าก็ปราศจากสิ่งสกปรกปราศจากกลิ่นเหม็นต่างๆแต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้หายไปไหนคำพูดที่ว่านิบานังปามังศูนยัอย่างนิบานนิพระนิพานเป็นความสูงความศูญที่สูงสุด นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ปฏิบัติไปถึงพระนิพพานแล้วจะสูญหายไปคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เป็นนิพพานแล้วจะไม่ได้สูญหายไปไหนสิ่งที่สูญหายก็คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่ เคยมีอยู่ภายในใจเท่านั้นแต่ใจคือผู้ปฏิบัติไม่ได้สูญหายไปไหนใจผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รับปรมังสุขขังรับผลคือปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังนิบานังปรมังสูญอย่าง นี่เป็นศัพที่เรามักจะได้ยินควบคู่กันไปว่านิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นความสูญอย่างยิ่งถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็จะเข้าใจผิดได้เข้าใจว่าเมื่อได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วผู้ปฏิบัติจะสูญหายไปอันตรธานหายไป อันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้ผู้ปฏิบัติก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่ดีกว่าก่อนก่อนที่จะไปถึงนิพพานก่อนที่จะไปถึงนิพพานนี้จะอยู่กับความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตาย ของร่างกายที่ใจหลงไปยึดเอามาเป็นสมบัติของตนแต่พอได้ปฏิบัติและชำระใจจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วใจก็จะไม่หลงยึดติดกับร่างกายอีกต่อไปใจก็จะไม่ทุกขกับความแก่กับความเจ็บกับความตายและจะไม่ไป หาร่างกายอันใหม่มาทุกต่อไปอีกหลังจากที่ร่างกายที่มีอยู่นี้ได้เสื่อมบทสภาพไปดังนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปกลัวพระนิพพานอย่าไปคิดว่าเมื่อปฏิบัติถึงพระนิพพานแล้วตัวเองจะสูญหายไปตัวเองไม่ได้สูญหายไป แต่ตัวเองจะอยู่อย่างปรมังสุขขังอยู่ด้วยบรลมาสุขเหมือนเสื้อผ้าที่เรานำเอาไปซักแล้วได้กำจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในเสื้อผ้าไปจนหมดแล้วศูนย์จากสิ่งสกปรกแต่เสื้อผ้าไม่ได้ศูญหายไปไหนเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม นี่แหละคือพันิพานก็คือใจของพวกเราเองที่ตอนนี้ยังมีสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในใจสิ่งที่เราต้องมาชำระกันกิเลสตัณหานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในลักษณะที่ละเอียดก็คือสังโยชน์สิบประการ สังโยชนิสปการนี่แหละคือกิเลสตัญหาที่คอยหลอกล่อให้ใจไปติดกับอยู่กับวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลอกล่อให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างไม่มีวันจบสิ้น ผู้ใดสามารถที่จะกําจัดสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ได้ผู้นั้นก็จะได้ได้ทำพระนิพพานให้แจ้งได้อยู่ตรงนี้พระนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่การชําระสังโยชน์สิบประการด้วยกันสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคืออะไรคือสากายทิฏฐิ ความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราความเห็นว่าขันห้าคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราซึ่งตามความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นตัวเราของเราเขาเป็นธรรมชาติเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ เขาไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นเขาเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟแต่ใจที่มีความหลงครอบงำอยู่ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจึงเกิดอุปทานความยึดมั่นเกิดตัณหาความอยากต่างๆอยากให้ ร่างกายอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ร่างกายและเวทนาเขาไม่ได้มาฟังเราเราอยากจะให้เขาไม่เจ็บเขาก็เจ็บเราอยากจะให้เขาไม่แก่เขาก็แก่เราอยากจะไม่ให้เขาตายเขาก็ตายเมื่อถึงเวลาที่จะทําให้เขาแก่เขาเจ็บเขาตาย เขาก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่มีใครไปยับยั้งไปห้ามเขาได้นั้นผู้ปฏิบัติต้องเจริญปัญญาถึงจะเห็นความจริงอันนี้เห็นว่าร่างกายนี้เวทนานี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นแล้วก็จะปล่อยวาง ปล่อยวางได้ก็เรียกว่าละสักกายติได้ข้อที่หนึ่งผู้ที่ละสักกายติได้ก็จะเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นว่าใจทุกข์เพราะไปหลงไปอยากให้ร่างกายอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราก็จะดับความทุกข์ใจด้วยการละปัญหาความอยากได้ความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่า มีการเกิดสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือสังโยชนข้อที่หนึ่งที่จะต้องละด้วยปัญญาข้อที่สองก็เช่นเดียวกันคือความสงสยัยลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเมื่อได้ปฏิบัติ ละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้ก็จะเห็นธรรมว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยากความทุกข์จะดับได้ก็ต่อเมื่อละความอยากละความอยากด้วยปัญญาก็คือต้องเห็นว่าสิ่งที่ตนเองไปอยากนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุก ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพอเห็นธรรมแล้วก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะพระธรรมนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนความจริงอันนี้ความจริงในอริยสัจสี่ความจริงในใยลั์ ผู้ที่เห็นใจรักเห็นอริยาาสัจสก็จะไม่สงสัยในตัวพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่มีจริงผู้ที่เห็นธรรมก็คือผู้ที่เห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็น ตถาคตได้เห็นธรรมได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระสงฆ์นี้เองพระอาริยสงสาวบกของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งมรรคผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันผู้ที่บรรลุขั้นโสดาบันได้ก็จะละสังโยชน์ข้อที่สามได้ เพราะจะไม่ทำอะไรที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะสังโยชน์ข้อที่สามก็คือการกระทำที่นอกเหนือความสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเวลามีความทุกข์แทนที่จะดับความทุกข์ด้วยการละความอยากก็ไปทำพิธีกรรมสระเคาะต่างๆ การกระทำพิธีสะเดาะเคราะห์นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ได้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจต้องพิจารณาหาเหตุให้เจอว่าความอยากเกิดขึ้นในเรื่องอะไรอยากกับเรื่องอะไรถ้าเห็นแล้วก็จะได้ใช้ปัญญามาหยุดได้เช่นอยากให้เจริญไม่อยากให้เสือ่อม ยิงอยากให้กิจการค้าขายรุ่งเรืองเจริญโดยถ่ายเดียวถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมจะให้เจริญไปอย่างเดียวนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเวลาพบกับความเสื่อมก็ต้องยอมรับความจริง ก็จะหายทุกข์คืออย่าไปอยากให้ไม่เสื่อมเช่นทามาหากินทามาค้าขายมีการขาดทุนบ้างบางปีก็กาไรบางปีก็ขาดทุนเวลาขาดทุนก็อย่าไปวุ่นวายใจไปทุกข์ใจยอมรับว่ามันมีขึ้นมีลงข้อสำคัญขอให้เราทำให้ดีที่สุดแล้วก็แล้วกัน ถ้าทำดีที่สุดแล้วมันขาดทุนก็เป็นเรื่องที่จ้องยอมรับมันจะไปทำพิธีสเดะาะเคราะห์ต่างๆก็จะไม่ได้ทำให้ อ, อ่กิจการไม่เสื่อมไม่ขาดทุนได้นี่คือสังโยชน์ข้อที่สามคือศีลพัฒนาปรมานี่ยจะเป็นอ่า สังโยชน์ที่ผู้ที่บรรลุทมขั้นที่หนึ่งมรรคผลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันสามารถละได้ส่วนสังโยชน์ข้อที่สี่และข้อที่ห้านี้ก็คือกามราคะกับปฏิฆะการมราคะก็คือความยินดีในกามอารมณ์นี้เอง ความอยากเสกกามอารมณ์อยากร่วมหลับนอนกับผู้นั้นผู้นี้เรียกว่ากามราคะส่วนปฏิฆะก็คือความหงุดหงิดรําคาญใจเวลาเกิดกามราคะก็จะเกิดปฏิฆะควบคู่กันเวลาเกิดความอยากจะเสกกามแล้วไม่ได้เสกก็จะเกิดอารมณ์บูดเบี้ยวขึ้นมา ก็จะทนไม่ได้ก็ต้องไปเสพกามต้องไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้พอได้ร่วมหลับนอนแล้วการมาราคะสงบตัวลงความหมงุดหงิดํำคาญใจก็สงบตัวลงไปด้วยการเสพกามนี้ไม่ใช่เป็นวิธีละกามาราคะละปฏิคะแต่จะเป็นวิธี ทำให้เกิดการมราคะปฏิคะเพิ่มขึ้นมาใหม่วิธีที่จะกำจัดการมราคะกับปฏิคะก็ต้องหยุดการมราคะวิธีจะหยุดก็ต้องใช้ปัญญาคือต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วย ถ้าเราเห็นตับไตไส้พุงเห็นโครงกระดูกของคนที่เราจะไปร่วมหลับนอนด้วยความอยากจะนอนอยากจะเสพกามมันก็จะหายไปพอความอยากจะเสพกามหายไปความหุดกิดลาคาญใจก็จะหายไปด้วยถ้าทาท่าละ การมราคะละปฏิฆะได้บางส่วนคือทำให้เบาบางลงได้ก็จะบรรลุมรรคผลขั้นที่สองคือขั้นพรสกิดาคามีถ้าสามารถกำจัดการมราคาะกับปฏิฆะได้อย่างหมดสิ้นก็จะได้ทาได้มรรคผลขั้นที่สาม คือขั้นอนาคามีนี่คือสังโยชน์ห้าข้อแรกเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ําพอได้ห้าข้อนี้ละห้าข้อได้แล้วก็จะต้องไปละอีกห้าข้อที่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนถ้าละสังโยชน์เบื้องบนห้าข้อนี้ได้จิตก็จะสะอาดบ่อยสุท จ็ดก็จะเข้าถึงพันิพานได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจได้ได้พบกับปรมังสุขขังได้พบกับปรมังสุนอย่างได้สังโยชนเบื้องบนที่มีอีกห้าข้อก็คือหนึ่งรูปราคะความติดอยู่ในรูปฌปานอารูปราคะ ความติดอยู่ในอารูปฌปานแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คืออุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านข้อที่สี่ก็คือมานะความถือตัวและข้อที่ห้าก็คืออวิชชาความหลงความไม่รู้จริง นี่คือสังโยชน์เบื้องบนที่ผู้ปฏิบัติจะต้องกำจัดให้ได้ถ้ากำจัดได้หมดก็จะทำนิพพานให้แจ้งขึ้นมาได้นี่แหละคือเรื่องของการทำพระนิพพานให้แจ้งต้องทำพระนิพพานให้แจ้งด้วยปัญญาคือวิปัสสนาภาวนาไม่มี อะไรในโลกนี้ที่จะสามารถละสังโยชน์ทั้งสิบข้อนี้ได้นอกจากปัญญาหรือวิปัสนาภาวนานี่เท่านั้นแต่ก่อนที่จะเข้าถึงขั้นวิปัสนาภาวนาได้เข้าถึงขั้นปัญญาได้จะต้องมีขั้นสมถะภาวนาก่อนจะต้องมีสมาธิมีใจที่สงบก่อน ถ้าใจที่ไม่สงบแล้วจะไม่สามารถเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นสภาวธรรมความจริงได้ไม่สามารถเห็นสัตยธรรมความจริงได้จะไม่เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาได้จะไม่สามารถมองเห็นว่าร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามได้ ดัง น, นั้นก่อนที่จะเข้าสู่วิปัสสนาภาวนาได้จําเป็นจะต้องให้ได้สมถภาวนาก่อนคือต้องทําจิตให้สงบรวมเป็นเอกขัตารม์รวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาก่อนถึงจะสามารถจเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาได้และการที่จะเข้าสู่สมถภาวนา เข้าสู่เอกคคตาอารมณ์เข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่ความสงบของใจได้ก็ต้องเจริญสติก่อนถ้าไม่มีสติใจจะไม่มีวันที่จะสงบได้ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติจึงต้องเจริญสติด้วยกรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐานสี่สิบก็คืออารมณ์ที่จะควบคุมความคิดตุงแต่ง ไม่ให้คิดให้หยุดคิดถ้ามีกรรมฐานสี่สิบข้อใดข้อหนึ่งเช่นพุท ธ, ธานุสติก็คือการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธถ้าบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอย่างต่อเนื่องใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้พอไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ ใจก็จะว่างจะเย็นจะเข้าสู่ความสงบได้เวลาจะเข้าสู่ความสงบนี้กายต้องอยู่เฉยๆต้องไม่ทําอะไรต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทวารทั้งห้าแล้วก็มีสติควบคุมใจไม่ให้คิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าสามารถ จเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้นี่คือการเข้าสู่สมถภาวนาต้องเข้าด้วยการจเจริญสติสตินี้ก็มีอยู่สี่สิชนิดเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเราสามารถเลือกใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อเป็นที่ผูกใจกล่อมใจควบคุมใจ รู้หยุดใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองแต่เราต้องเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับไปถ้าจะมาเจริญสติเฉพาะเวลานั่งสมาธินี้จะไม่มีกำลังพอที่จะทำให้ใจหยุดคิดได้ผู้ที่ไม่เจริญสติพอมานั่งสมาธิ พอจะให้อยู่กับพุโทโธก็อยู่ได้เพียงสองสามวินาทีใจก็จะวิ่งไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนนั่งแล้วไม่ได้เกิดผลขึ้นมาเพราะว่าไม่มีสติกำลังพอที่จะหยุดความคิดต่างๆนั่นเองดังนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นเอกขากตาารมณ์ได้ จำเป็นที่จะต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้เจริญสติเลยถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปควบควบู่กับการกระทาการงานต่างๆถ้าใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ ก็ให้เฝ้าดูการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบไม่คิดปรุงแต่งได้นี่คือขั้นตอนของการที่จะทำนิพพานให้แจ้งต้องใช้ปัญญาวิปัสสนาก่อนจะมีปัญญามีวิปัสสนาภาวนาก็ต้องมีสมถ ภ, ภาวนา ก่อนที่จะมีสมถะภาวนาก็ต้องมีสติก่อนแล้วก่อนที่จะมีสติได้ก็ต้องปลีกวิเวกต้องสำรวมอินทรีย์คือต้องควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆผู้ที่จ ะ, จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องจําเป็นที่จะต้อง รักษาศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ต้องเปรกเว้์อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่มีความสัมพันธ์กับใครเพราะถ้าเวลามีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่สามารถสํารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายได้ พอไม่สามารถสำรวมอินทรีย์ก็ไม่สามารถควบคุมความคิดตรุงแต่งได้เพราะเวลาใจไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็จะเกิดความคิดตรุงแต่งต่างๆตามมาแล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากตามมาแล้วก็จะทําให้ไม่สามารถทําใจให้สงบได้นี่คือก่อนที่จะ เจริญสติจึงต้องมีศีลแปดก่อนต้องรักษาศีลแปดให้ได้ต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครมารบกวนไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาลบกวนใจและผู้ที่จะถือศีลแปดได้นี้ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน ก่อนที่จะรักษาศินแปดได้ก็ต้องหัดรักษาศีนห้าให้ได้ก่อนผู้ที่จะรักษาศีนห้าได้ก็ต้องทําทานให้ได้ก่อนถ้ายังทําทานไม่ได้ยังเสียสละไม่ได้ยังแบ่งปันไม่ได้ก็จะไม่สามารถยับยั้งความโลภความอยากได้เงินได้ทองอยากเลิมอยากรวยอยากใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ ก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้เพราะเวลามีความโลภอยากได้เงินได้ทองอยากได้ความสุขต่างๆก็จะทำบาปได้ถ้าไม่สามารถที่จะหามาได้ด้วยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปคนที่ทำมาหากินคนที่มีความโลภอยากร่มอยากรวยอยากมีเงินทองมากๆมา ก, มากจะทำผิดศีลกัน ไม่สามารถรักษาสี่ห้าได้แต่คนที่ไม่โลภมากไม่อยากเร่ไมอยากรวยอยากได้บุญอยากได้กุศลก็จะสามารถรักษาสี่ห้าได้เพราะว่าจะชอบทำบุญนั่นเองชอบทำทานชอบแบ่งปันชอบเสียสละไม่โลภมากจนถึงขั้นที่จะต้องทำบาป ท, ทำกรรมเพื่อให้ได้เงินได้ทองมา เพราะว่าได้มาแล้วก็จะเอามาทำบุญอยู่ดีดังนั้นผู้ที่ทำบุญจึงไม่ชอบทำบาป ก, ก็จะสามารถรักษาสีหน้าได้ดังนั้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้พวกเราทุกคนหัดทำทานกันให้แบ่งปันให้เสียสละให้ละความโลภอยากได้เงินมากๆให้ มีเงินทองพอกินพอใช้ก็พอแล้วถ้ามีมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการของการยังชีพก็ให้เอาไปแบ่งปันแก่ผู้อื่นให้ไปสร้างบุญสร้างกุศลการทาคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี้จะทำให้เกิดบุญคือความอิ่มใจเกิดความสุขใจขึ้นมา พอได้ทาบุญแล้วก็จะไม่ชอบทาบาปพอไม่ทําบาปก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายพอรักษาศีลห้าได้แล้วต่อไปก็จะรักษาศีลแปดได้เช่นรักษาศีลห้าในวันธรรมดาส่วนวันพระก็รักษาศีลแปดเป็นการเริ่มต้นไปก่อนเอาอาทิตย์ละวันไปก่อน สาหรับผู้ที่ยังไม่เคยรักษาสิญปะรักษาสิแปะแล้วก็ต้องเจริญสติต้องเจริญสมถภาวนาให้ได้ถ้าเจริญได้ผลดีก็อยากจะรักษาสิญปะไปตลอดก็อยากจะปีกวิเวกอยากจะเจริญสติอยากจะนั่งสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะ สามารถพิจารณาสัจธรรมความจริงได้พิจารณาอาริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรดย์ได้พิจารณาตายลักษณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าพิจารณาได้ก็จะสามารถละสังโยชน์ทั้งสิทธ์ได้เพราะเครื่องมือที่จะละสังโยชน์ทั้งสิทธ์นี้ก็คือก็คือวิปัสสนา ภาวนาหรือปัญญานี่เองปัญญาก็คือการเห็นสัจธรรมคือเห็นอริยสัจสี่เห็นใจลักษณ์นี่เองนี่แหละคือวิธีทําพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็เมื่อทําพระนิพพานแจ้งแล้วผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเพราะพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกที่จากโลกนี้ไปแล้ว ก็ยังไม่ได้สูญหายไปไหนก็ยังอยู่ในโลกทิพย์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับพวกเราก็อยู่ในโลกทิพย์เยงแต่ว่าตอนนี้เรามีร่างกายมาเป็นสื่อเป็นตัวแทนของเราท่านั้นเองแต่ตัวจริงๆของเราคือใจของเรานี้ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เพียงแต่ว่า อาศัยร่างกายเป็นสื่อเท่านั้นเองเวลาร่างกายนี้ตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจยังไม่สะอาดบ่อยสุดยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีความอยากอยู่ยังไม่ได้ละสังโยชน์ทั้งสิบประการใจก็จะถูกความโลภความอยากกิเลสตัณหา ชุดลากให้ไปหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาได้ร่างกายอันใหม่เมื่อได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกกับการดูแลร่างกายออกมาจากท้องแม่ก็ทุกข์แล้วร้องไห้ออกมาจากท้องแม่ก็ร้องไห้เพราะต้องหายใจเองต้องหาน้ำต้องกินน้ำเองต้องดื่มน้ำเองต้องกินอาหารเองต้องขับถ่ายเอง เวลาอยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องทำแม่ทำให้ทุกอย่างแต่พอออกมาแล้วก็ต้องมาทุก์กับการดำรงชีวิตของตนแล้วก็ต้องมาทุกกับเรื่องราวต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องด้วยไปทุก์กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจ แล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ของร่างกายทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกกับความตายของร่างกายทุกกับการพัดพากจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งของที่เรารักนี่คือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการมาเกิดและการที่มาเกิดก็เพราะว่ายังไม่สามารถทําพระนิพพานให้แจ้งได้นั่นเอง ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆยังไม่สามารถกำจัดสังโยชน์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้นั่นเองจึงต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถยุติจนกว่าจะสามารถทำลายกิเลสตัณหาสังโยชน์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เท่านั้น อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับพวกเราแต่ท่านไม่ได้สูญหายไปไหนท่านก็ยังอยู่ในโลกทิพย์ที่พวกเราอยู่กันนี้อยู่เพียงแต่ว่าเราไม่อยู่ในโลกทิพย์กันเราชอบออกจากโลกทิพย์มาสู่โลกกทาสมาสู่โลกของร่างกาย แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับร่างกายถ้าเราสามารถตัดกิเลสตัณหาทำลายสังโยชน์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วเราก็ไม่ต้องมามีร่างกายเพราะว่าเรามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าภายในใจคือความสุขของพระนิพพาน ที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี้ที่พวกเราต้องมาเกิดมีร่างกายเพราะเรายังอยากจะหาความสุขจากการดูการฟังเราจึงต้องมีร่างกายเพราะร่างกายนี้จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดรฉานก็เหมือนกันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกาย ไว้เสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะแต่ความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนี้เป็นความสุขเหมือนกับการเหมือนกับความสุขที่ได้จากการเสบ ย, ยาเสพติดนี่เองเวลาได้เสบก็จะมีความสุขเวลาใดไม่ได้เสบก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือความทุกข์ที่ ดวงจิตดวงใจของพวกเราทั้งหลายทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาและจะทุกข์ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถทําพระนิพพานให้แจ้งได้ถ้าเราอยากจะทําพระนิพพานให้แจ้งเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาทุกข์ซ้ําแล้วซ้ําอีกเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงธรรม ได้สอนให้เราทํากันก็คือเราต้องเริ่มต้นที่การทําทานทําทานแล้วก็รักษาศีลห้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้รักษาศีลแปดรักษาศีลแปดได้ก็ให้ไปเปรีกวิเวกอยู่ตามลําพังให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเมื่อเจริญสติได้ เวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขของพระนิพพานได้แต่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะสมาธินี้จะสงบได้เป็นพักๆสงบแล้วก็ต้องถอนออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ถ้าอยากจะให้สงบอย่างท้าวรก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาตามลําดับต่อไปเจริญปัญญาพิจารณา จนเห็นสัจธรรมความจริงคือเห็นพระอริยสัจสี่เห็นใจลักเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปเกิดความอยากมีอยากเป็นอยากได้พอเห็นายลักเห็นอริยสัจสี่ก็จะหยุดความอยากละสังโยชน์ทั้งหลายได้ ตัดสังโยชน์ทั้งหมดได้พอตัดสังโยชน์ได้หมดใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมานิพพานก็ปรากฏขึ้นมานี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมาแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ทางผู้ที่มีจิตศรัทธา เมื่อน้อมนําเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับผลมาผู้ที่จะได้รับผลก็คือพระสุปฏิปันโนทั้งหลายนั่นเองคือพระอริยสงสาวกตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยอะไร ก็ด้วยสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี้เองปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์ปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือการปฏิบัติสี่ลักษณะด้วยกันสำหรับผู้ที่ปฏิบัติถ้าต้องการที่จะได้ผลต้องปฏิบัติ ให้ครบทั้งสี่ข้อปฏิบัติดีก็คือเวลาสอบก็ได้คะแนนเต็มร้อยเวลาต้องทําหน้าที่ก็ทําหน้าที่เต็มร้อยถึงเวลาทําทานก็ทําเต็มร้อยถึงเวลารักษาศีลก็รักษาศีลเต็มรอ้อถึงเวลาเจริญสติก็รักก็เจริญสติให้เต็มร้อยตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิจิตแกลรวมเป็นหนึ่งเต็มร้อยเวลาเจริญ ปัญญาเพื่อให้เห็นสัจธรรมก็จเจริญเต็มร้อยเห็นเต็มร้อยนี่เรียกว่าปฏิบัติดีคือต้องทาต้องทาให้เต็มที่ไม่บกพร่องในหน้าที่ของการปฏิบัตินั่นเองถ้าเป็นนักเรียนก็ไม่ขาดเรียนไม่การบ้านก็ส่งครบผลที่ได้รับก็เต็มร้อยเต็มร้อยเวลาสอบก็เต็มร้อย อย่างนี้ถึงเรียกว่าเรียนดีปฏิบัติดีก็เช่นเดียวกันปฏิบัติตรงก็คือตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการพระพุทธเจ้าสงสอนให้ทําทานก็ทําทานส่งสอนให้รักษาศีลให้เจริญสติก็ ท, ทาําตามไม่ใช่เลือกทํเอาแต่บางอย่างบางอย่างที่ชอบก็ทําบางอย่างที่ไม่ชอบก็ไม่ทาอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติตรง ปฏิบัติตรงนี้ต้องปฏิบัติตรงต่อคำสอนทุกประการแล้วปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาบสักการะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อให้คนอื่นเขาคาวรวนับถือเพื่อให้เขาได้ถวายลาบสักการะต่างๆไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาบสักการะหรือเพื่อลาบยศ ส, สรรเสริญ แต่ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพียงอย่างเดียวการดับทุกข์ได้ก็ต้องละตัณหาความอยากละกิเลสให้ได้เท่านั้ น, น, นการปฏิบัติจึงปฏิบัติเพื่อละตัณหาละกิเลสละสังโยชน์ไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติไม่ผิดนั่นเองถ้าปฏิบัติผิดก็จะไม่ได้ผลผลก็จะผิดต้องปฏิบัติให้ถูก เหมือนขับรถถ้าขับไม่เป็นรถก็วิ่งไม่ได้แทนที่จะเหยียบคันเร่งไปเหยียบเบรครถมันก็ไม่ออกหรือเวลารถวิ่งแล้วจะให้รถจอดไม่เหยียบเบรคไปเหยียบคันเร่งรถมันก็วิ่งไปชนกับคนอื่นอย่างนี้เรียกว่าขับไม่ถูกถ้าขับถูกต้องรู้ว่าเวลาจอดต้องทําอย่างไรเวลาวิ่งต้องทําอย่างไรฉันในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันปฏิบัติเพื่อละ ตันกิเลตตันหาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อสร้างกิเลตตันหาให้บีเพิ่มมากขึ้นมานี่คือเรื่องของวิธีทำพระนิพพานให้แจ้งผู้ที่ทำให้แจ้งแล้วก็เป็นผู้ที่หมดทุกหมดภยัยผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าพวกเรา เบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อกับความแก่เบื่อกับความเจ็บเบื่อกับความตายเราก็ต้องชอบในการทาทานชอบการรักษาศีลชอบการภาวนาชอบการเจริญสติชอบสมถะภาวนาชอบวิปัสสนาภาวนาถ้าเราชอบแล้วเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางผลให้เกิดขึ้นมาได้ถ้าเหตุคือการปฏิบัตินี้เป็นสุปฏิปันโนเป็นอุชุปฏิปันโนเป็นญายะปฏิปันโนเป็นสามีจิตปฏิปันโนสิ่งที่จะมาขัดขวางไม่ให้ผลเกิดขึ้นก็คือการปฏิบัติที่ไม่ใช่เป็นสุปฏิปันโน ไม่ใช่เป็นอุชยายะสามีจิปฏิปโนนี้เองดังนั้นขอให้เราพิจารณาการปฏิบัติของเราอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ถ้าไม่ก็ควรที่จะปรับปรุงถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรก็ไปศึกษาไปอยู่กับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย แล้วท่านจะสอนท่านจะพาเราให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แหละคือวิธีการทำพระนิพพานให้แจ้งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การปฏิบัติของเราผู้อื่นไม่สามารถที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งให้กับเราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสารโลกทั้งหลาย ท่านก็ไม่สามารถที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้ทำเองถึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างมงคลอันยิ่งใหญ่ด้วยการทำพระนิพพานให้แจ้งนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาเรกวาหาปุราปะเรกปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกั ป, ปติ อิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจตุสัพเพปุริตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทานาสีฤทธะนิจังวุทธาปจายโนจตารโธรรมะวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ขอเชิญผมครับขอขออยากถามอาจารย์หลัง จ, จากที่ถามอาจารย์ครั้งที่แล้วครับก็คือก่อนที่จะเจริญปัญญาครับให้เข้าไปที่ให้เจริญสมาธิก่อนให้จิตนิ่งก่อนนะครับ หรือที่เรียกว่าขั้นอัปนาสมาธิครับคือตรงใจยยนี้คือพอจิตก็เชื่อคูบาใจายครับตอนั้นก็ปฏิบัติจนจิตมันรวมคือจิตทุกส่วนรวมเป็นหนึ่งเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวครับตอน้เวทนาเกิดก็รู้แต่ไม่แต่ไม่ปวดแต่ถึงตอนนั้นอาจารย์จาจําคำํำสอนของเจา้าว่าจะพึ่งเร่งพิจารณาทางด้านปัญญาให้อยู่อย่างนั้นก่อนจ น, จนจิตมันถอน เราค่อยเจริญปัญญาคือพอถึงพอมันอยู่ได้ม า, าชั่วโมงหนึ่งก็ถอนออกมาปุ๊บคราวนี้มันวุ่นวายมันจิตมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ค่อยสงบครับคือหลวงไถว่าควรจะพิจารณาตอนที่อยู่ในอยู่ในสมาธิเลยไม่ดีกว่าหรอครับถ้าพิจารณาในสมาธิก็ไม่ต้องนั่งสมาธิมันเสียเวลา พอเวลาเจริญแล้วสมาธิมันก็จะหายไปอยู่ดีที่ให้เจริญสมาธิเพื่อให้ใจสงบที่ถ้าสงบยังไม่สงบมากพอออกมาถ้าไม่ควบคุมด้วยสติมันก็จะวุ่นวายได้ออกมาแล้วต้องควบคุมด้วยสติต้องพิจารณาทันทีเช่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทันที แต่ถ้าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มันก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ก็ตอนนั้นมันมันเกิดเวทนาครแต่พออยู่ในสมาธิมันมันรู้ว่ามีแต่ไม่รู้สึกเจ็บแต่พอมนถอนปุ๊บมันจิตไปรับรู้ในเวทนาส่วนนั้นมันถดซีเพราะว่าเวลาเจอความทุกข์มันต้องเจอนอกสมาธิมันไม่เจอในสมาธิเข้าใจไหมเวลาคนจะดับทุกข์นี้คนต้องดับด้วยปัญญาถึงจะดับได้อย่างถาวร ถ้าหลบเข้าไปในสมาธิมันก็หนีความทุกข์พอจะออกมาก็ต้องเจอความทุกข์ก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความทุกข์เวลาออกจากสมาธิถึงต้องใช้ปัญญาถึงจะดับความทุกข์ได้แต่ปัญญาจะไม่เดินถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีกําลังถึงต้องสร้างกําลังของจิตขึ้นมาก่อนคือความสงบความเป็นอุเบกขาที่ จะเป็นกำลังที่จะทำให้ปัญญาเดินได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าจิตไม่สงบจิตจะไม่ยอมคิดไปในทางปัญญาจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาอย่างคนที่ไม่มีสมาธิเขาคิดกันเขาก็คิดแต่จะหาเงินหาทองคิดจะจะหาความสุขผ่านตาตาหูจมูกลิ้นกายเขาเพียงอย่างเดียวแต่คนที่มีความสงบ ของสมาธิเราเวลาออกมาใจจะไม่หิวกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมกายใจก็จะมีเวลาที่มาพิจารณาความจริงได้มาสอนใจให้มองความจริงเช่นมองให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากอาหารเมื่อจเจริญเติบโตแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปไหนที่สุด ต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้ลืมเวลาไม่พิจารณามันจะลืมมันจะกลับไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราจะกลับไปคิดว่ามันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ต้องคิดมันจะกระทั่งมันไม่มีวันลืมพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะปล่อยกองาธาตุนี้ให้ได้ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาไม่ใช่พิจารณา ทั้งสองครั้งแล้วก็บอกรู้แล้วอันนี้ยังไม่ใช่รู้ไม่จริงถ้ารู้แล้วต้องไปพิสูจน์ดูไปนั่งนั่งนั่งให้มันเจ็บดูแล้วดูเสียแล้วปล่อยให้มันเจ็บได้หรือเปล่าหรือไปปล่อยให้มันอยู่ในป่าในเขาอยู่กับสิ่งที่น่ากลัวดูดูว่ามันจะกลัวหรือเปล่าอันนี้ถึงจะว่ารู้จริงหรือรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงก็จะไม่กลัวไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย อีกนิดหนึ่งครับท้าในชีวาาติตคารวะมันเจอสิ่งเล้าอยู่ตลอดครับก็เป็นค า, า, วารวะทำไมเขาไม่ได้บงังคับให้เป็นท่าหน่อยพระเขาก็ยินดีให้เป็นไม่เป็นเองแล้วมาบ่นอะไรนิดหนึ่งเขาดังก็คือคือบางวันก็ได้สมาธิบ้างไม่ได้บ้างครับก็คือก็ น, นันเอ เรียกว่าไม่เป็นสุปฏิปันโนงิปฏิบัติได้บ้างสอบสอบได้บ้างสอบตกบ้างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสุปฏิปันโนถ้าสุปฏิปันโนมันต้องได้ไมันต้องได้ที่หนึ่งทุกครั้งสอบที่ใดก็ได้ที่หนึ่งั่นถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนถ้ายัางไม่เป็นสุปฏิปันโนก็ต้องพยายามให้เต็มที่พยายามเจริญสติให้มากแล้วต่อไปมันก็จะเป็นสุปฏิปันโนเป็นใหม่คือนิดหนึ่งครับ คือจะเจริญปัญญานี้ต้องต้องไปถึงขั้นอัปนาธรรมทิสก่อนค่อยออกมาพิจารณาด้านปัญญาหรือว่าแค่จิตสงบแล้วก็เจริญปัญญาได้เลยครับการคุณลองไปพิจารณาดูว่าคนจะรู้เองอ่าต้องแค่ไหนอย่างไรเหมือนคุณกินข้าวจะกินอิ่มแค่ไหนก่อนออกไปทํา ง, งานคุณก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันกินครึ่งครึ่งท้องแล้วไปทํา ง, งานหรือกินอิ่มท้องแล้วไปทํา ง, งานดีคุณก็ลองไป พิจารณาทดสอบดูเอาแล้วกันครับอง ค, ครับมีใครอยากจะถามไหมข้างบนนี้ไม่มีก็เอาทางอินเทอร์เน็ตต่อครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและทางกลุ่ม เฟซบุ๊กธรรมะบนเขานะครับคำถามจากคุณก๊อฟนะครับปกติเคยได้ยินได้ฟังได้สัมผัสคำว่าจิตรวมพอมาฟังเทศพระอาจารย์ได้ไม่นานมาปฏิบัติปรากฏว่าเหมือนจิตมันหายไปผมก็ใช้คำอธิบายแบบละเอียดไม่ถูกปรากฏร่างกายพร้อมอยู่ผมควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ ก็ปฏิบัติให้จิตมันสงบนะให้ร่างกายหายไปให้เหลือแต่จิตอันนี้มันจิตหายไปเหลือแต่ร่างกายก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่เห็นจิตเขาเห็นแต่ร่างกายแต่คนที่ปฏิบัติเขาจะเห็นจิตเพราะเขาทําให้ร่างกายหายไปเขาปล่อยวางร่างกายไว้ชั่วคราวได้พอใจปล่อยร่างกายได้ก็จะเหลือแต่ตัวจิตตัวเดียวให้ให้เห็นอย่างชัดเจน ฉันก็ต้องเจริญสตินั่งสมาธิให้มากจนกว่าจิตจะรวมพอรวมแล้วร่างกายก็จะหายไปแล้วก็จะเหลือแต่ผู้รู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อยู่คำถามข้อต่อไปจากคุณนัทวัฒนะครับข้อที่หนึ่งมีการปฏิบัติอย่างไรที่จะให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขณะที่ทำสมาธิภาวนา ก็ต้องมีสตินะเจริญสติไปแล้วจิตมันก็จะเป็นผู้รู้เองข้อที่สองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสามารถแยกธาตุขันแยกกายกับจิตได้แล้วเวลาเราถอดเสื้อผ้าออกจากร่างกายเรารู้เรารู้หรือเปล่าเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้านี่เรารู้เปล่าว่าเรากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า อันใดเวลาเราแยกกายแยกจิตมันก็แบบเดียวกันนะร่างกายก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าของจิตเข้าใจไหมเวลาเราเอาร่างกายออกจากจิตมันก็แยกออกจากกันจิตก็เป็นอย่างหนึ่งร่างกายก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เวลามันอยู่ด้วยกันมันก็เป็นเหมือนตัวเดียวกันเสื้อผ้านี้เวลาเราสวมใส่มันก็เป็นเหมือนร่างกายของเราแต่พอเราถอดร่างกายพอถอดเสื้อผ้าออกไปเราถึงรู้ว่าอ๋อ ร่างกายเรากับเสื้อผ้านี้มันเป็นคนละส่วนกันฉะนั้นใดเวลาเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะแยกจิตแยกแยกกายออกจากกันได้เพราะเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟส่วนจิตเป็นผู้รับรู้ผู้รู้ร่างกายเป็นคนละส่วนกันจะแยกได้ก็ต้องปล่อยวางร่างกายเพียงแต่ให้รู้เฉย ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากจะทำอะไรกับร่างกายร่างกายจะแก่ก็ปล่อยให้แก่ไปไม่ต้องไปย้อมผมให้มันสีดำไม่ต้องไปทำสัญญกรรมตกแต่งอะไรต่างๆเพื่อแก้ความแก่อย่างนี้เรียกว่าไม่แยกกายกับแยกจิตนถ้าแยกกายกับจิตจิตก็ต้องปล่อยวางร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเวาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ามีอยู่มียารักษาได้ก็รักษาไปหายก็ดีไม่หายก็อยู่กับมันไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นการแยกจิตแยกกายออกจากกันข้อที่สามคาว่าคิดกับคาว่าเห็นขณะปฏิบัติภาวนาขอคําอธิบายถึงความแตกต่างเช่นขณะปฏิบัติวิปัสสนา ให้พิจารณาเห็นกฎตารักไม่ใช่คิดถ้าพูดถึงการเห็นก็จะเกี่ยวกับทางตาแต่การนั่งหลับตาภาวนาจะเห็นได้อย่างไรถ้าไม่ใช่การคิดก็ต้องใช้ความคิดเพื่อทำให้เกิดความเห็นขึ้นมาคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นเองเช่นอสุภะเห็นไหมตอนนี้ไม่เห็นใช่ไเวลาเห็นร่างกายของคนนี่เห็นอะไรเห็นแต่ความสวยงามใช่ไหม เพราะคนเราต้องเอาความสวยงามออกมาโชว์กันที่ถ้าเราอยากจะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเราก็ต้องคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามคิดไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นขึ้นมาเองเวลาเห็นส่วนที่สวยงามมันก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามขึ้นมาด้วยเวลาเห็นร่างกายมันจะไม่เห็นเพียงส่วนภายนอกมันจะเห็นส่วนภายในด้วยถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆ ยันคิดไปเรื่อยๆแล้วความคิดนี้ก็จะพาไปสู่ความเห็นอีกทีหนึ่งต่อไปถ้าเห็นแล้วก็จะปล่อยวางได้ละตัณหาได้เช่นละกามาราคะได้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาให้มาปวดหวัวอยู่คนเดียวสบายกว่ากับอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าอย่างละกามาราคะละกามาตัณหาไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เห็นอสุภะนี่เอง พอไม่คิดอยู่เรื่อยเป็นพระเจ้าถึงสอนให้เจริญอสุภะคือให้คิดถึงความไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆคิดเพื่อมาให้ลืมเราคิดแป๊บหนึงแล้วเราก็หยุดคิดมันก็ลืมไปแล้วเหมือนเรื่องราวต่างๆนี่พอเราเราเห็นหนเดียวเราสัมผัสครั้งเดียวแล้วเราไม่คิดต่อเดี๋ยวมันก็ลืมไปแล้ววันนี้ใครก็พูดอะไรนี่เราพบคนนี้ก็บอกผมชื่อนายกรนายขอแล้วพอเราไม่ ไม่คิดต่อไปเดี๋ยวก็ลืมชื่อเขาไปแล้วว่าเขาชื่ออะไรถ้าอยากจะจําชื่อเขาให้ได้ก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าคนนี้ชื่อในายกคนนี้ชื่อในกายอนึกอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจพอฝังอยู่ในใจแล้วมันก็จะไม่ลืมมันก็จะเห็นทุกครั้งเห็นนายกก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือนายกทันใดอทำต่างๆที่เราต้องการจะเห็นก็เกิดจากการคิดนี้เอง ถ้าเราไม่คิดมันก็จะไม่เห็นคิดหนเดียวมันเห็นหนเดียวแล้วมันก็จางหายไปได้ถ้าถึงเรียกว่ามันยังไม่เป็นปัญญาเรียกว่าเป็นสัญญาอยู่ถ้าเห็นแล้วลืมแสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาถ้าเห็นแล้วไม่ลืมเอามาดับความทุกข์ได้เอามาลับกิเลสตัณหาได้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาคำถามข้อต่อไปจากคุณเทียนนะครับ จากสัปดาห์ก่อนที่นักปฏิบัติธรรมมุ่งปฏิบัติโดยไม่สนใจพ่อแม่ในบ้านพระอาจารย์สอนให้มีความกตันยูเป็นพื้นฐานถ้านักปฏิบัติท่านนี้ยังทําตัวเหมือนเดิมยังจะไปถึงโสดาบันหรือนิพพานที่ตนหวังไหมครับเราไม่รู้เรื่องของเขาเราไม่สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเขาจะไปหรือไม่ไปเพราะเราไม่ทราบรายละเอียด จำไม่ได้เช่ด้วยซ้ำไปว่าเรื่องเขาเป็นเรื่องอะไรคือคือเรื่องที่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่ครับแล้วก็เขาเขาจะไปถึงถึงฝั่งไหมครับอาจารย์คือเรื่องของความกระตันยูมันก็เรื่องหนึ่งเรื่องของการไปถึงฝั่งมันก็อีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณพอลลี่นะครับลูกขอสอบถามว่ามีคนที่รู้จักถูกเจ้านายที่ทำงานกล่าวหาว่าทำคุญส่ายและเกิดความไม่พอใจให้หาทางพิสูจน์ว่าไม่ได้กระทำซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเจ้านายก็คิดอคติอยู่ตลอดเวลาขอรบกวนหลวงพ่อชี้แนะทางสว่างให้ด้วย ขอเชื่อพระพุทธเจ้าก็แล้วกันไม่ต้องไปเชื่อเรื่องคุณสมคุณใสเลยทั้งหลายขอให้เราคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลมันก็จะดีเองแต่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลมันก็จะไม่ดีมันมีอยู่แค่นั้นแหละหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับเออดออีวันนี้คำถามน้อยออจะถามไหมครับดีไหครับ ดีขอให้พวกเราเาชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนคำสอนแก่นของพระพุทธเจ้าแก่นของคำสอนของพระพเจ้าก็คือกฎแห่งกรรมนี้ทำดีได้ดีทำาชื่วได้ชื่อไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้เราทำาชั่อแล้วเราอยากจะให้ดีเราไปทำคุณไสยมันก็ไม่มีวันจะดีขึ้นมาได้เราทำดีแล้วคนอื่นก็มาทำคุณไสยให้เราชั่วเราก็ไม่มีวันที่จะชั่วได้ มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทําของเราผลดีผลชั่วนั้นอยู่ที่ตัวเราดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับพิธีกรรมหรือวิธีการอะไรต่างๆของของไข่ของของไข่ทั้งหลายเขาจะมีคุณอาศัยเขาจะมีอะไรก็ตามมีมีวิธีกรรมอะไรต่างๆที่จะทําให้ สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์แล้วพอแล้วเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของแท้ของจริงนอกจากนั้นแล้วไม่ถือว่าเป็นของแท้ของจริงถ้าไม่ถ้าไม่เป็นไปตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ขอเรียนถามมีเยู่ข้อหนึ่งครับพอดีทุกวันนี้ก็ยังประกอบอาชีพการงานอยู่ตอนที่นี้ก็ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการปฏิบัติธรรมโดยการให้ทานรักษาศีลก็สมาธิภาวนาล้วก็ก็จิตรวมบ้างไม่รวมบ้างถ้าสว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปนี้มันในชาติต่อไปจะสามารถ เป็นแนวทางในการที่เราจะเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติทำไมครับก็อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยถ้าเราทำมากมันก็จะติดไปกับใจเรามากถ้าเราทำน้อยมันก็จะติดไปกับเราน้อยถ้าติดไปน้อยโอกาสที่มันจะเลือนลางหายไปมันก็มีมากกว่าถ้ามันติดไปมากดังนั้นขอให้พยายามทำให้มากๆ ถ้าจะไม่ให้มันหายเลยก็ต้องเข้าสู่ขั้นวิปัสสนา ค, คือเข้าสู่ขั้นพระโสดาบันบถ้าเข้าถึงขั้นพระโสดาบันแล้วมันจะไม่มีวันเลือนไม่มีวันลืม อ, อริยรรสัจสีไตายักนี่มันจะอยู่ติดไปกับใจแล้วมันจะพาให้เจริญต่อไปเรื่อยๆ อ, อย่างพระโสดาบันนี้ก็อย่างมากก็กลับมาเกิดไม่เกินเจดชาติก็จะบรรลุถึงพระ น, นิพพาน พระสกิดาคามีก็กลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์ไปเกิดในโลกของผมแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ดังนั้นถ้าอยากจะไม่ให้ศาสนาพุทธจางออกจากใจเราเราก็ต้องสร้างขึ้นมาให้อยู่ในระดับของพระโสดาบันให้ได้ ถ้าเราเป็นโสดาบันแล้วเราจะมีพระพุทธศาสนาอยู่กับเราไปเราไม่ต้องรอเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะเรามีพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่ในใจของเราแล้วมีศาสนาพุทธอยู่ในใจของเราแล้วที่จะสามารถพาให้เราไปถึงพระนิพพานได้แล้วไม่ต้องรอพระศีษะอ่านแต่ถ้าเรายังไม่เข้าสู่ขั้นมรรคผลคือขั้นของพระโสดาบัน เราก็อาจจะลืมได้เพราะระยะเวลามันเมื่อมันนานเข้ามานันนานเข้ามันก็จางหายไปได้ของต่างๆที่เราได้เรียนรู้มา <Okay. S 1> ก็ต้องรอโอกาสหน้ารอเวลาที่พระศรีอานมาปรกากฏแล้วเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงเดียวกันเราก็จะได้รับประโยชน์จากพระศรีอานได้แต่เราจะไปรู้ยังไงว่าพระศรีอาน์กับเราจะมาเกิดตรงกันเวลาเดียวกัน ตอนนี้เรามาเกิดเจอกับพระพระพุทธเจ้าของเราแล้วทำไมเราไม่รีบตักตัวผลประโยชน์ที่เราเพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาทำไมยังมาหลงอยู่กับอของเศษขยะเช่นลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทำไมของดีๆเพชรนินจินดาเนี่ยพระรันตนไตรัยเนี่ยทำไมเราไม่เอากัน เรากลักบไปเอาขยะของลาบยศสละเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันแล้วก็มากังวลว่าเดี๋ยวตายไปแล้วจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ติดไปกับเราหรือไม่ก็เราไม่สร้างมันขึ้นมามันจะติดไปกับเราได้อย่างไรเข้าใจัหมครับผมเออรับขอบขอบคุณมากครับนูมีคำถามไหเปล่าไม่มีนะ เรนถามพนะระอาจารย์ค่ะปฏิปกติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ปวดเหมือนกระดูกจะแตกค่ะเพราะอะไรคะอะไรนะว่าไหมยซิปฏิบัติธรรมค่ะปกติก็ธรรมดาแต่รู้สึกว่าช่วงนี้มันจะปวดกระดูกอ่ะมันกระดูกจะแตกมไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไระมันปวดตอนไหนปวดตอนที่นั่งใช่ค่ะตอนที่นั่งเวลาไม่นั่งไม่ปวดค่ะอะมันก็เป็นเรื่องของกระดูกน หน้าที่ของเราก็คือรู้แล้วก็ปล่อยวาง อ, อย่าไปกังวลกับมันมันปวดบ้างผิดปกติค่ะมันเป็นอะไรบ้างยานขึ้ น, นหรอือเปล่าไม่อาจจะเพราะมันแก่มากขึ้นแล่วขอบคุณคะ่ะไปถามอีกไหมครับพระอาจารย์ครับในเพจคณะสิทธิพระจารย์สุชาตินะครับมีท่านหนึ่งสงสัยว่า เกี่ยวกับการเจริญปัญญ า, อ, าอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความของคําว่าเจริญปัญญาด้วยครับก็ในหละการที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาก็คือให้เราคิดถึงอริยสัจสี่คิดถึงไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆมองเห็นอะไรก็มองให้เห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอริยสัจสี่ในทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเอง จนเวลาเรามองลูกเรานี่เราเห็นอริยสัจสี่ในกับลูกเราหรือเปล่าเราห่วงลูกเราหรือเปล่าห่วงลูกเรานี้ก็แสดงว่าเป็นความทุกข์แล้วแล้วเราห่วงแล้วเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าห้ามแม่ให้เขาแก่ห้ามแม่เขาเจ็บห้ามแม่ให้เขาตายได้หรือเปล่ามันก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีแล้วไปห่วงมันทําไม ถ้าเราเห็นตายรักเห็นอริยสัตติเราก็จะไม่ห่วงเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่ห่วงมันจะไม่วิตกมันจะไม่กังวลมันจะไม่หวาดกลัวมันจะไม่รักมันจะไม่ชังมันจะไม่หลงแต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะรักจะชังจะกลัวจะหลง จะวิตกจะกังวลจะห่วงใย ห, หวาดเสียหวาดกลัวไปกับเรื่องราวต่างๆนี่แหละคือจะรู้ว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ให้ดูตรงเนี้ยดูที่ใจเราเนี่ยว่าใจเราเฉยหรือใจเราวุ่นวายเวลาใดใจเราวุ่นวายเนี้ยอย่างเมื่อกี้ถามเรื่องกระดูกนี่ก็ไม่มีปัญญาแล้วเข้าใจไหมถ้ามีปัญญาก็ไม่ต้องถามเลยมันก็อันนี้จังไม่ใช่หรือ กระดูกร่างกายมันก็เป็นอนิจจังไม่ใช่เนะมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่เวลาแก่มันจะให้มันเป็นเหมือนคนหนุ่มคนสาวได้ไงคนหนุ่มคนสาวเขากระโดดแล้วเต้นวิ่งไปวิ่งมาเขาไม่เจ็บไม่ปวดแต่คนแก่นี่เพียงแต่ขยับแค่งขยับขาก็ปวดแล้วเพราะมันชราแล้วมันแก่แล้วมันเสื่อมแล้วถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่มันไม่ต้องมันไม่สงสัยกับเรื่องอะไรทั้งนั้น เพราะยังไม่มีปัญญายังไม่เห็นว่ามันเป็นมันต้องเป็นอย่างนี้ยังอยากจะให้มันเป็นเหมือนตอนหนุ่มตอนสาวอยู่แล้วมันเป็นได้หรือเปล่าสั่งมันได้หรือเปล่าสั่งมันให้อยาปวดได้หรือเปล่าสั่งมันไม่ได้แล้วถ้าไปอยากให้มันปวดไปวิตกกับมันก็ทุกไปเปล่าๆถ้ารู้ทันว่ามันปวดมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปมึงอยากจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปกูไม่ยุ่งกับมึงเราก็จะไม่ เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเฉยเฉยเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราไม่มีปัญญากันเราไม่คิดถึงความเสื่อมเวลาเสื่อมแล้วเราต่อต้านอยากจะให้มันไม่เสื่อมแต่เราห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามความเสื่อมได้หรือเปล่านี่แหละเรามองไม่เห็นอนัตตาคือห้ามเขาไม่ได้เรามองไม่เห็นความเสื่อมคืออนนี้จรงเราจึงทุกข์กันแล้วเวลาทุกข์ก็ไม่เห็นความทุกข์เอก ไม่เห็นว่าตอนนี้เราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้เขาไม่เสื่อมผู้ที่เห็นความเสื่อมเห็นว่าห้ามไม่ได้ก็จะหยุดอยากพอหยุดอยากก็จะไม่ทุกข์ก็จะไม่กังวละรอแต่วันตายเท่านั้นแหละคนที่เห็นความเสื่อมแล้วรักษายัางไงดีขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนหมอเก่งขนาดไหนในที่สุดมันก็ตายเหมือนกัน คนที่เห็นความตายแล้วก็จะไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวกับความเจ็บความตายเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนแต่ผู้ที่หวาดกลัวนี้ไม่ได้ตายซะหน่อยไปกลัวแทนร่างกายทําไมร่างกายที่ตายเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่หวาดกลัวกระดูกก็ไม่เห็นเขากลัวเลยเขาเจ็บยังไงเขาก็ไม่กลัวหลยคนที่มารับรู้กระดูกเนี่ยไปกลัวแทนกระดูก ทั้งๆ ท, ที่คนรับรู้นี้ก็ไม่ได้เป็นกระดูกไม่ได้เจ็บไปกับกระดูกเลยเพียงแต่รับรู้แล้วก็ทนกับการรับรู้ความเจ็บของกระดูกไม่ได้เท่านั้นเองเพราะไม่มีปัญญาไม่แยกยะไม่แยกจิตคือผู้รู้ออกจากร่างกายออกจากกระดูกไปยึดติดกับกระดูกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่แหละคือไม่มีปัญญาถึงต้องให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆ อ่าพิจานาแยกจิตออกจากร่างกายอ่าใช่เราไม่ได้เป็นเขาเราไปยุ่งกับเขาทําไมร่างกายของคนอื่นเราทุกข์รึเปล่าใช่ไหมเพราะเราไม่ไปติดกับเขาใช่ไหมไม่ได้ไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราแต่ร่างกายนี้ทําไมเราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราปล่อยวางได้จะ ไ, ได้จิตระดับนี้ไหมคก็จิตก็จะเบาจะสบายจะไม่ไ <ป S 1> วุ่นวายอ่าก็ต้องทําให้ได้ทุกครั้งเนี่ยถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโน ไม่ยากถ้าทำได้บางครั้งมันก็ต้องได้ทุกครั้งอ่ะทำไมาบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้อ่ันเบาสบายโล่งค่ะอ่าก็ต้องทำแบบนั้นทุกครั้งให้ได้แล้วต่อไปมันก็จะโล่งทุกครั้งไปต้องพยายามนะเพราะว่าถ้าไม่มีความพยายามนะ้วมันไม่สำเร็จหรอกขี้เกียจอยากจะให้ผลมันเกิดขึ้นเองนี้ไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้ ผลต่างๆจะเกิดขึ้นก็าจากการพยายามปฏิบัติของเราตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเน่ยเช่นได้จเจริญปัญญาก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องเสือ่อมมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไม่ต้องไปกลัวการคิดเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ร่างกายแก่เจ็บตายทันทีทันใดมันก็แก่เจ็บตายไปตามวาระของมัน คนบางคนกลัวว่าโอ้ยถ้าคิดว่ามันจะเจ็บเดี๋ยวมันจะเจ็บขึ้นมาจริงๆมันจะตายเดี๋ยวมันจะตายขึ้นมาจริงๆถ้าความคิดของเราวิเศษอย่างนั้นทำไมไม่คิดให้เรารวยมันจะได้รวยขึ้นมาทันทีทันใดมันความคิดของเรากับความจริงมันไม่ได้เป็นของเป็นเหตุเป็นผลกันความคิดของเรานี้มีไว้เพื่อเตือนใจสอนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้ยึดไม่ให้ติดนั่นเองพอไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่ทุกข์กับมัน ร่างกายทุกคนมันต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่มารับรู้คือจิตนี้จะรับรู้แบบไหนคนที่รู้ก็จะไม่ทุกข์คนที่ไม่รู้ก็จะทุกข์ก็มีอยู่ตรงนั้นนั่นเองดงั้นที่เราปฏิบัติเราพิจารณานี้เพื่อให้เราไม่ทุกข์ไม่ใช่เพื่อไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถหยุดได้ แม้แต่สังขารร่างกายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองก็หยุดไม่ได้พระพุทธเจ้าเก่งขนาดไหนก็ยังไม่สามารถห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายของร่างกายได้ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องดับไปในที่สุดนแต่พระทัยของพระพุทธเจ้าไม่ได้เดือดร้อนกับการดับของร่างกายแต่อย่างในดนี่แหละเรียกว่าปัญญาถ้ามีปัญญา เต็มเปี่ยมแล้วมันจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าอะไรจะเสื่อมก็จะไม่เดือดร้อนขอยึงขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน